ตูจูนมาทำอะไรเดี๋ยววัานอาทิตย์หลวงพ่อเขาไปบ้านอารีก่อนนายนิตมาชวนให้ไปสอนที่บ้านอารีแทนสาราลุงชินบอกเดี๋บ้านเขาพังสาราลุงชินมันที่โล่งๆยังรับไม่ไหวชีรัตเริ่มมีแรงมากขึ้นแล้วชีรัตแรงมนน้อยไป ใจมันไม่ยอมหยุดพักผ่อนไม่ไม่ยอมหยุดดิ้นรนเมื่ใจมันดือ้อมันจะออกค้นคว้ามากเนี่นะให้มันค้นลงในกายอย่าไปฝืนมันฝืนมันไม่ได้มันจะทํางานเพราะ้นเวลาที่ใจเราฟุ้งไปดิ้นดินดิ น, ด น, นะค้นคว้าลงพิจารณากายเลยคิดอย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่าทำคือไหนๆจะฟุ้งซ่านก็อย่าให้เกินกายออกไป ความรู้ไม่เอาให้จิตเวียนอยู่ในอาการ32สองเนี่ยคือจิตมันชอบคิดจะไปทำกรรมฐานให้เลิกคิดไม่ได้ก็ย้อนสอนมันสิพามันคิดเลยคนกา้าร่างกายนะผมคนเล็บฟันหนังไล่ไปทีละส่วนทีละส่วนอย่างการพิจารณาผมมันทำกรรมฐานได้หลายตัวนะกระทั่งผมเส้นหนึ่งเนี่ย ผมมันรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้ยาวๆอย่างนี้กลมๆยาวๆนะตรงกลางมีรูอยู่อะไรย่างนี้าการที่เห็นรูปร่างของมันนี่นะั่คือพิจารณาถึงตัวธาตุดินแต่อันนี้เป็นสมถะนะเป็นงการคิดถ้าจะดูธาตุดินจริงๆต้องเอามือจับจับไม่ติดแล้วกอดจับติด <c oughs> ตัวผมนะั้นมันสีดำสีขาวนี่คือกสินสี ดูได้นะดูมันตรงปลายมีต่อมน้ํามันอยูนะ่ตัวมันมีกลิ่นยังไงกลิ่นไม่สะอาดนะกลิ่นของมันเหม็นสาบเหม็นสางอย่างเงี้ยเนี่ยค่อยๆดูไปนะมีรูปรูปร่างยังไงนะมีสีมีกลิ่นยังไงรสนี่ไม่ต้องไม่เคยกินเนะนี่ยไล่ไปทีละส่วนทีละส่วนนะไล่่ล ใจมีค่อยๆสงบมีแรงขึ้นมีกำลังถ้าเราฟุ้งไปอยู่ในโลกของความคิดจะไม่มีกำลังหรอกจิตจีรัฐมันเดินปัญญาต่อไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงถามย่างนะวันนี้ลืมไปตอบไปหมดแล้วด็อกเตอร์โบขึ้นมาเบอร์หนึ่งร้อยรู้สึกตัวไว้ะไปกดมัน รู้สบายๆไปออกแรงกดเมื่อสมสบห้าศตาหลวงพ่อเราเครียดขึ้นมารู้ทันรู้ทันนะหลวงพ่อนะคล้ายๆนังแม่มดเมดูซ่าใครศบตาแล้วตัวแข็งจิรัตคิดเลยมันชอบคิดให้มันคิดยให้มันคิดอยู่ในกายอย่าให้เกินออกกายออกไปนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวห่วงเรื่องความรู้ตอนนี้คือสมถะ เราต้องการสมรถา ก, ก่อนเราไม่ต้องการความรู้ไม่ได้เจริญปัญญานะอย่าห่วงมันถ้าจิตมีกําลังแล้วมันเดินปัญญาง่ายจิตไม่มีแรงเดินปัญญาไม่ได้จริงอ่ะก็ป้อแป๊แป้อแป้ไปเรื่อยเหนื่อยหลวงพ่อเคยเล่าหลายทีแล้วนี่หลวงพ่อเห็นสภาวะไหวปัป๊บปัป๊เห็นทั้งวันทั้งคืนนะเห็นเดินกวักกว่าเหนื่อยแทบขาดใจเลยนะเหนื่อยมันไม่ได้มีจุดที่จะหยุดพักได้เลย พิ่งไปถามหลงพระพุธนะไปตอนนั้นประมาณวันที่หนึ่งธันวาปีไหนจำไม่ได้ละที่จาวันที่ได้เพราะว่าที่วัดป่าสารวัลเขามีงานวันบูรพาจารย์คนก็มาเต็มศาลาเลยนะศาลาการประเรยนของท่านเป็นศาลาไม้เท่มากเลยความจริงคือล้าสมัยที่อื่นเขาลื้อหมดแล้วตรงท่านยังเหลืออยู่ยอดเยี่ยมมากคนมาเต็มศาลานะทั้งพระทั้งโยม พระก็ค่อยมาตามท่านบอกให้ไปเทศได้แล้วท่านบอกไม่ได้ไม่ได้ท่านต้องแก้กรรมฐ า, านอันนี้ก่อนนี้สําคัญท่านก็พยายามเทศให้หลวงพ่อฟังจนท่านเหนื่อยเลยนะใจใจเรามันรับไม่ได้มันแก้ไม่ตกเนี่ยสุดต้องบอกท่านบอกว่านิมนทรท่านไปเทศเถอะเนี่ยผมค่อยหาทางเอากลับมาเขียนจดหมายไปถามอาจาร์มหาบัวนะท่านก็ส่งหนังสือทําเตรียมพร้อมให้ เหมือนกันที่หลวงพ่อพูดบอกแหละใจเราก็ไม่ลงนี่ใจไม่ลงเพราะใจมันดิดดิ้นมากมันเจริญปัญญามากเกินตัวไปไม่รู้ทันลืมสมถะทั้งที่ทําสมถามาตั้งแต่เด็กพอมาเจริญปัญญาแล้วทิ้งสมถานี้มันสุดโต่งนะอย่างใจหลวงพ่อนี่มันโลดโผนทําสมถาก็โลดโผนสุดโต่งไปเลยเจริญปัญญาก็โลดโผนสุดโต่งไปเลยชินมันมีแรงมาก วันนั้นหมดเรื่ยวหมดแรงน่าเหนื่อยเต็มปดาแล้วเชไปขึ้นรถเมย์ไปทํางานขึ้นมาเดินออกมาอย่างนี้เลยครับมันเหมือนเราไม่นอนทั้งวันทั้งคืนเลยนะรู้สึกตลอดเลยไปวับวับวับวอยู่กลางอกเนี่ยเหนื่อยไปยืนนะก็นึกในใจว่าวันนี้ขอไม่ภาวนาสักวันเถอะขอไม่ดูขอไม่ดูก็ไม่ได้จิตจะดูสติมราตมโนมัติไปหมดละมันจะดูของมันเองทําอะไรไม่ถูกแล้ววันนั้น วันนี้ทําอานาปนาสติซะหน่อยยืนอยู่นะยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะ่คนเพื่อนร่วมทุกร่วมทางเดินเนี้มีอีกตั้งหลายสิบคนนะเต็มป้ายรถเมล์เราหายใจมัหจออห้หายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองอะไรเงี้ยนับไปยี่สิบดทีจิตมันสงบลงมา้ยรวมมัมันจะรวมคงไม่นานเท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะพอมันถอนขึ้นมาเนี่ยมันย้อนไปเห็นไ้ที่ไหววับวับาขาดตรงนั้นเลย ไม่ใช่บรรลุมรคผลนะนแต่ว่าเอาแล้วเว้นวักการปฏิบัติได้สักทีได้พักบ้างความรู้สึกตอนนั้นเหมือนลองวิกเอนว้าชุ่มชื่นเบิกบานเหมือนลองวิกเอนเลยนะใจที่คล่ําเครียดในการภาวนามาเดือนกว่าๆทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดนะ่ะเลยนึกขึ้นได้เลยเนี่ยโทษของการที่เราทอดทิ้งการทําความสงบไปนี่นสมถะเนี่ยนะยังไงก็ทิ้งไม่ได้ถึงชุดหนึ่งก็ต้องทำนี่บางคน ที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งทําสมถานั้นเพราะว่าติดสมถะต้องแก้ก่อนถ้าจิตมันติดสมถามันนิ่งๆอยู่มันไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูมัใช้ไม่ได้แต่พอมีสติขึ้นมาแล้วรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆแล้วเดินปัญญาอยู่เรื่อยๆก็ต้องกลับเข้าหาความสงบเป็นระยะระยะไปหลวงปู่เทศท่านก็สอนนะบอกว่าการทําสมาธิเข้ามาเนี้ยมันเหมือนเรืบิน บินไปแล้วต้องมีสถานีลงท่านไปเรียกสนามบินว่าสถานีท่านคงนั่งรถไฟอะเนาะท่านไม่คุนนั่งเรือบินท่านไม่เรียกสนามบินเรือบินมันก็ต้องมีสถานีลงอย่างเงี้ยภาวนามันก็ต้องมีเวลาพักเวลาพักของจิตซึ่งมันกำลังเดินปัญญาอย่างเข้มข้นเนี่ยมันจะไม่ยอมพักเลยต้องบังคับให้มันพักทำสมถะไป น, นี้ทาสมาธต้องดูรูปแบบที่มันทาได้จริง อย่างองคีรัดตอนเนี้จิตมันฟุง้งรุนแรงฟุ้งก็ต้องย้อนสอนมันเลยทํากรรมฐานฟุง้งฟุงนั่นแหละแต่แทนที่จะฟุ้งเรื่องอื่นแนละให้มาฟุ้งเรื่องกายนี้ไล่อยู่ในอาการ32มนี่ไล่ไล่ไล่ไปไล่จากศีรษะลงมาไม่ได้ไม่รีบไล่นะไม่ใช่ดูผมหนึ่งแวบดูขนเล็บฟันหนังแวบหนึ่ง32มิวินาทีหมดแล้วอาการ32ให้ดูให้ดูไปทีละส่วนทีละส่วนนะไล่ไปแล้วเวลาจิตเราไป ถึงเส้นผ ม, มนอะไรเงี้ยพรามันมีนิมิตผมขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเป็นนิมิตจิตเราไหลไปที่นิมิตผมเราก็รู้ว่าจิตไหลไปอีกจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมานสักว่ารู้สักว่าเห็นไปค่อยๆพิจารณาไม่รีบร้อนนะพิจารณาเพื่อให้จิตมันมีงานทําอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่เป็นกุศลเท่านั้นเองจิตใจเคล้าเคลียในอารมณ์ที่เป็นกุศลพอสมควรแล้วมันจะแช่มชื่นเบิกบานมีเรื่องมีแรงขึ้นมา พอมีแรงนะพอมันย้อนกลับไปดูจิตดูใจก็จะขาดเลยคราวนี้ขาดวับวบ ว, บวบไปที่ผ่านมามันเหมือนสายน้ำซึ่งไม่รู้จะตัดตรงไหนให้ขาดไหลทั้งวันทั้งคืนนะเพราะว่าสภาวะนั้นไหลสืบเนื่องไปสติปัญญาไม่พอที่จะตัดให้ขาดเป็นช่วงๆตัวที่จะทำให้มันขาดนะันคือปัญญานีปัญญาจะมีได้ก็ต้องมีสมาธิมีสัมมาสมาธิเป็นเครื่องรองรับ นันเราจะเห็นแต่สภาวานะน่สืบเนื่องเป็นสายเดียวแต่ถ้าจิตเรามีสัมมาสมาธิก็เกิดปัญญาเห็นขาดเป็นช่วงช่วงช่วงมันมีช่องว่างมันจะค่อยๆมานิ่มๆแล้วไม่ใช่มามั่วซั่วค่อยฝึกเอาง่ายแต่กว่าจะง่ายก็ปางตายมาแล้วเชนะนมหาบัวท่านก็เคยเล่าตอนท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ถามท่านว่าท่านมหาวันนี้เป็นไงแล้บ ท่านเดินปัญญามีปัญญาเจริญปัญญาไปเลยทีแรกท่านทําสมถะงี้ท่านก็บอกสงบครับสงบพูทุกวันเลยนะถามทีไรก็สงบทุกวันวันหนึ่งโดนเฉ่งเลยว่าไม่เดินปัญญานี่จิตใจของท่านโลดผลพอจิตใจท่านเดินปัญญาแล้วมันเดินไม่เลิกมันทิ้งสมถะเลยทุกวันส่งกันบ้านว่ามีปัญญาอย่างนู้นอย่างนี้นะนานไปหลายวันโดนเฉ่งอีกแล้วว่าฟุงา้งซ่าน ฉะนนเราเดินปัญญาเราก็ไม่ทิ้งความสงบทำความสงบก็ไม่เพลินในความสงบจนทิ้งการเจริญปัญญาก็เดินควบคู่กันไปแต่คนไหนทำความสงบไม่ได้ส่วนมากไปคิดแต่ว่าทาสมาธิไม่เป็นการทำความสงบนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงฌานก็ได้ไม่จำเป็นหรอกแค่อุปจารสมาธินะแค่การที่เราคอยคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆคิดถึงพระธรรม คิดถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์คิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงคุณงามความดีของเราเองคิดถึงคนที่เท่าทำความดีคิดถึงร่างกายคิดถึงลมหายใจคิดถึงความตายคิดถึงในเรื่องเหล่านี้รวมแล้ว10เรื่องนะถ้านับไม่ถึงก็ไปหาเอาเองเนี่ยถ้าใจเราเค้าเคลียอยู่ในเรื่องเหล่านี้ใจจะสงบเรื่องที่ท่านสอนให้คิดนี่เาเรียกว่าอนุสติสิบเรื่อง นี่การดำรงชีวิตนอกจากคิดแล้วมันต้องมีพูดด้วยใช่ไหมเรื่องที่พูดท่านก็สอนนะท่านสอนเรื่องที่พูดเรียกว่ากรถาวัตถุสิบอย่างให้คุยเรื่องอะไรเรื่องมักน้อยเรื่องสันโดษเรื่องไม่คลุกคลีนะเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องมีปัสนาเรื่องมีปัศนาปัญญาเรื่องมักเรื่องโผดเรื่องนิพพานมักไปน้อยไปก็ไปรวมรวมเอาเองนะเวลาคุยให้คุยแต่เรื่องพวกนี้นะ แต่ไม่ให้คุยเฝือไม่ใช่คุยทั้งวันเข้าห้องแชททั้งวันไม่ได้สติแตกนะคุยตามความจำเป็นเรื่องสนทนาธรรมตามการยังจะเป็นมงคลถ้าสนทนาธรรมตลอดการนะอัปมงคลนะเพระพาะภาวนาม่ได้เพน้อย่าพูดมากในะเรื่องที่ท่านสอนให้พูดนะเรื่องกระถาวัตถุสิบเรื่องนะเรื่องที่ท่านสอนให้คิดนี่นะชื่ออนุสติสิบเรื่องนะ ทำไปนะจิตใจจะมีความสุขพอจิตใจมีความสุขจิตใจก็มีความสงบจิตใจมีความสงบแล้วไม่ให้สงบเฉยเฉยให้มีสติคอยรู้กายมีสติคอยรู้ใจไปเรื่อยนะเปิด77ยังไม่เลิกนะยังไม่หมดนะเพิ่งเพ่งอะ่ะคลายออกจากเมื่อวานดูออกไหมนะพอคลายออกเยี้งจิตมันจะเริ่มเคลื่อนไหวให้ดูละแต่ต้องปล่อยยังไม่หมดทีเดียวต้องปล่อยอีกคอยรู้ทันไปนะอย่าไปประครับประคองรู้บ้างเผลอบ้างก็ได้ อ่ะตรวจกันบ้าน ก, กาบหลวงพ่อเจ้าค่ะการภาวนารู้สึกว่าจะรูเ้เพอได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นเจ้าค่ะก็ภาวนาไปแล้วก็เห็นแต่ทุกข์เจ้าค่ะเห็นทุกข์มากเจ้าค่ะจิตวันนี้เป็นไงจิตวันนี้จิตจิตวันนี้ก็ ดวงโปร่งเบาๆสบายๆนะแต่ไม่ตั้งมั่นดูออกไหมไปกระจายไปออกไปข้างนอกไปสว่างออกไปข้างนอกเหมือนไฟฉายนะฉายออกไปให้เรารู้ทันนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอริยมรรคจะไม่เกิดแต่ว่าไม่จําเป็นต้องตั้งมั่นตลอดเวลาน้ําไหลไปบ้างก็ให้รู้ทันเอาตั้งอยู่ตลอดไม่ได้หรอกถ้าจิตของเรายังหิวโหยอารมณ์ภายนอก หรเวลาเราทํากรรมฐานนั่นเกิดไหมจิตเราหิวอารมณ์นะไม่ชอบไหลไปดูให้เรารู้ทันว่าจิตไหลถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปจิตจะค่อยตั้งมั่นขึ้นเองดีขึ้นเยอะเลยวันนี้การเล่นถามหลวงพ่อเจ้าค่ะ อ, อโมหะเนี่ยดูดูไม่เป็นวันนี้วันสุดท้ายแล้วโมหะโมหะมีหลายแบบเ จ, จิตที่ฟุ้งซ่านถ้ารู้ว่าฟุ้งซ่านนั่นก็คือรู้โมหะนะ จิตที่ลังเลสับสนจับอะไรไม่ถูกแล้วงงไปหมดแล้วนี่ก็พวกโมหะซึมซึมไม่รู้เหนือรู้ใต้จับสภาวะได้ไม่แม่นก็พวกโมหะรวมกันโมหะก็คืออะไรโมหะก็คือการที่จิตนั้นมันจับสภาวะได้ไม่แม่นยำไม่รู้สภาวะนั่นเองแต่ถ้าเราเฉลียวฉลาดพอเรามีทักษะในการปฏิบัติพร้อมบางวันจิตมัวมวไปจิตมัวมัวรู้ว่าจิตมัวเนี่ยถือว่ารู้เรียบร้อยลนะ จิตอยากให้หายมัวรู้ว่าอยากนี่ก็ถือว่ารู้เรียบร้อยแล้วง่ายง่ายเมื่อวานเพิ่งบอกหลวงพ่ออำนาจหพ่ออำนาจภาวนาก็กินยาเข้าไปเยอะนะเบลอเบลมั ว, ม, ว, ม, วมัวอยู่ทั้งวันท่านก็เบื่อหน้าโยมเต็มไปดานี่ไปยุ่งกับท่านมากนะท่านเบื่อหน้านะมากแล้ว <c oughs> <c oughs> ท่านบอกท่านจะทํำยังไงจะดูไงให้รู้ไปดูมัวไปยอมรับสภาพสิว่ามันจะมัวถ้าเมื่อไหร่เรายอมรับสภาพได้นะใจไม่ดิน้นใจไม่ดิน้นใจไม่ทุกข์ ตอนนี้เอาอย่างนี้ก่อน ท, ที่ละเอียดกว่า น, นี้ ม, มีมีที่ละเอียดกว่า น, นี้ดูยังไงเจ้าคะวิธีดูเจ้าค่ะโมหะที่ละเอียดนะเจ้าค่ะแค่จิตหลงไปคิดก็โมหะและ้วจิตหลงไปดูก็โมหะจิตหลงไปฟังก็โมหะนะเั้นเะมื่อไหรจิตหลงไปทางทวารทั้งหก็โมหะนั่นแหละแต่อย่างตามองเห็นเนี่ยจิตยังไม่หลงไปนะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าพอเห็นปุ๊บอะไรนะั้นอย่างเงี้ยมันลืมกายลืมใจ เมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นมีโมหะเมื่อไรหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อนั้นก็มีโมหะเมื่อไรจับสภาวะได้ไม่แม่นยำเมื่อนั้นก็มีโมหะโอะใช่ค่ะเนี่ยว่าดูได้เยอะแยะหลากหลายง่ายอันนี้ดูอยู่ใช่ค่ะแต่ที่ละเอียดดูไม่เป็นไม่เป็นไร <laughs> ค่ะไม่จําเป็นต้องละเอียดน ะ, ะการภาวนาหยาบหรือละเอียดเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเอาแข่งกันตรงที่หยาบหรือละเอียด แต่เราพาวนาเพื่อให้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นระดับทั้งสิ้นนั้นสภาวะที่หยาบหรือสภาวะที่ละเอียดนั้นเท่าเทียมกันไม่ใช่ต้องละเอียดน ะ, ะอย่างผลวพ่อชอบดูละเอียดเดี่ยนะขอตรวจกันบ้านพวกอยู่ในวัดก่อนเอานมามัสการแล้วเอาว่าไปเลยเมือ่อวานนี้<ม>ตอนอมันยังมีการประคองอยู่นิดนึงก็เลยมานั่งต้องกลับไปดู เบสิกก่อนก็คือกับไปอ่านหนังสือของหลวงพ่อนะคะก็ไปดูจีคือนี่ระหว่างที่ดูเนี่ยจิตมันก็ยิบยบยิบขึ้นมาพอยิบยิบเราก็ดูเสร็จปุ๊บคืวนี้มันเห็นมันเหมือนเป็นฟองน้ํามันพอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็พอมันมันรู้ที่มันไปรู้ที่ใจแล้วก็ไปรู้ที่ตรงหูแล้วก็ที่กายมันเราก็เห็นว่ามันดับไปมันเหมือนฟองสบู่แตกเราก็นั่งดูดูดูอย่างนั้นไปเรื่อยจนกระทั่งคือมันเหนื่อย มันมันดูแบบเหมือนกับหายใจไม่ทันแต่เราก็ดูไปเรื่อยๆคะ่ะมันสภาวะนั้นเราก็นั่งดูดูดูแต่คันนี้พอพอมันเกิดเออเราดูเหมือนเหมือนเหมือนเราดูได้แต่ตอนที่เรามีความยินดีในการดูเราก็ดูไม่ทันแต่เรามารู้ทีหลังคันนี้พอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเดินไปเดินคันเนี้ยโดยปกติแล้วพอถ้าเกิดมีอารมณ์มีสุขเนี่ยเราจะดูไม่ทันเราจะหลง ไปอ้อยอิงกับอารมณ์มนั้นแต่คราวนี้พอเรารู้ว่าดูดูดแบบซื่อๆดูธรรมดาเราก็รู้แล้วมันก็เลยดับวับไปตรงนั้นนะคะน่าต้องซื่อๆนั่นแหละนะจะรู้สึกไหมมาวันจันทร์ไม่ซื่อเลยไม่ซื่อเจ้าค่าะมาเรียนตอนนี้ได้ความซื่อไปแล้วซื่อๆเรียกอุชูกตาจิต ท, ที่เป็นกุศลจริงๆนะซื่อจิตเจ้าเล่ยไม่ซื่อนะเป็นอากุศลคือ เลยรู้ว่ามันรู้ว่าสภาวะหลังดูแล้วเนี่ยเราไปไปสรุปกับไปสรุปกับมันมคือไปเหมือนไปย้ํามันอีกทีหนึ่งแต่ตอนที่ย้ำเนี่ยเราหลงไปแล้วอ่านะถูกต้องคนละขณะละนะนะขณะที่สภาวะเกิดในะอันหนึ่งขณะที่รู้สภาวะอันนึงใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องสภาวะทางใจมันตามตามรู้ที่หลังเพราะฉั้นสภาวะเกิดขึ้นขณะหนึ่งตามรู้ทันขณะหนึ่งปรุงแต่งต่ออีกขณะหนึ่ง แล้วก็มีสติใหม่รู้ทันว่าปรุงแต่งก็คือตัวสภาวะก็คือสภาวะ อ, อีกอันหนึ่งละดีฝึกไปนะมาห้าวันได้อย่างนี้ก็ดีละสังสรารวัตรสั้นลงละเพราะเราดูเห็นไหมมันทำงานได้เองล้วนามรักาการละไม่ต้องพูดซ้ำนะประหยัดเวลาค่ะเมื่อวานนี้ก็กลับไปทำตามที่หลวงพ่อบอกนะคะแล้วก็ ไม่อยู่กับที่ฟุ้งไปเรื่อยเลยค่ะจนต้องมานั่งใหม่ก็ภาวนาใช้ได้แล้วนะกลับมาได้ค่ะใช้ได้แล้วดีแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้จากหนังสือด้วยค่ะโอเดีนะใช้ได้ละห้าวันออใช<ค>้ได้ละอ่ะสมกับที่ลูกก็ามาไว้วัดคือรู้สึกมีความรู้สึกกลุ่มๆนิดนึงอะคะ่ะรู้สึกอะไรนะกลุ่มอะคะ่ะคือเหมือนกับว่าเออลุม มีแต่คนอื่นส่งกันบ้านแล้วรู้สึกว่าทำไมเราไม่เห็นได้อย่างนั้นบ้างอะไรอยเงี้ยแต่และคนไม่เหมือนกันกันบ้านของเขาของเข า, ขเขาสิทางใครทางมันสิเวลาเราส่งกันบ้านคนอื่นเขาก็ไม่มีเหมือนเราเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉนั้นในห้องนี้เต็มไปด้วยดาวอิจฉาไม่อิจฉากันไปอิดฉากันมาเพราะไม่มีใครเหมือนกันบางครั้งเวลาที่จะเครียดถามพยายามจะให้ยใจเข้าลึกๆแต่ปรากฏว่า จริงๆแล้วพอตอนหายใจเข้าเนี่ยมันมันกลับทําให้รู้สึกแน่นมากขึ้นถึงบอกว่าต้องหายใจออกเวลาภานานะหายใจออกก่อนบางคนบอกเอ้าไม่หายใจเข้าแล้วจะหายใจออกได้ไงเนี่ยคิดมากหายใจเข้าเบาๆอย่างกับว่าปอดมันแฟบไม่มีลมอยู่เลยอย่างนั้นปอดทงพังไปแล้วแบนตัดแต่อย่างนั้นก็ต้องมีลมแค่รู้สึกเท่านั้นออกนิดเดียวคลิกเดียวก็พอแล้วเริ่มต้นเห็นลมหายใจออก ใจก็โล่งขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวไปเลยตามรู้ตามดูจิตใจต่อไปเลยไม่ดีนะมันจงใจจงใจปฏิบัติค<ฆ>่ะ อ, อ, อ้าดรอู๊ดไปปหนล่ะอะตอนนี้ยังอยู่วัดอีกคนเดี๋ยวอูดเอาให้ก่อนก็การธรรมสการหลวงพ่อครับตอนนี้ก็จิตรู้สึกมีโมหะครับซึมๆแล้วก็แป๊บหนึ่งนะเนี่ยจิตขนาดเนี้ยมีโมหะ รู้สึกไหมหลงไปถลำไปมัวมัวไปเห็นไมรู้จักโมหะครับก็ที่ผ่านมา <c oughs> ผมปฏิบัติมีอยากให้หลวงพ่อช่วยเมตตาแนะนำว่ามีอะไรผิดพลาดบ้างอะครับเด็กกลัวพลาดเลยเย็กกลัวผิดนะผิดตลอดแล้วภาวานาไม่ต้องกลัวผิดหรอกไม่ถูกหรอก ร่วไปเลยนะอะไรเกิดขึ้นก็ร่วมไปอยากทําถูกมัให้รู้ว่าอยากแค่นั้นแหละถูกเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่รู้ว่าผิดเมื่อนั้นถูกจำไว้นะเมื่อรู้ที่ผิดไปเรียนสิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆสิ่งที่ผิดก็มีสองอันนะการสุขาริการิโยค ก, กับอัตตะกิลมัฏฐานุโยคหลงไปตามกิเลสไปกับบังคับตัวเองตอนเนี้สังเกตไหมเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็บังคับก็ไปรู้ทันมันไปเรื่อยๆนอกนั้นเป็นรายละเอียดปลีกย่อยแล้วไม่สําคัญอะไร หลงไปแล้วรู้สึกไหมบับงคับไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยบังคับไปหลงไปรู้สึกไหมอ๋ออาชริยะงงรู้สึกไหมครับเนี่ยดูสภาวะเท่าที่เราดูได้หัดดูไปเรื่อยๆนะเอาว่าไปมีอะไรอีกก็ไม่มีลครับหัดดูสภาวะนะคำตอบที่ถามหลวงพ่อ ว่าจะทํำยังไงก็คือหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆใจมันโกรธใจมันโลบใจมันหลงใจมันฟุ้งซ่านใจมันหดหูใจมันไปเพ่งนะใจมันสุขใจมันทุกข์คอยรู้มไปเรื่อยๆรู้เล่นๆอย่ารู้แบบจ้องไม่ให้คลาดสายตานะต้องรู้บ้างเผลอบ้างนักปฏิบัติต้องใจถึงจริงๆไม่กลัวหลงไม่กลัวเผลอเผลอแล้วรู้เอาได้คะแนนกลัวจะเผลอแล้วไปเพ่งไว้ก็คือเผลอตลอดเวลาเรียกว่าเผลอเพ่ง ไปด็อเตอร์อูดยกมืออูดยกมือไว้ไม่มีใครเขารู้จักอูดอูดดาเบอร์ห้าสิบปย่ากดมันทำใจสบายๆเครียดไปเบอร์หนึ่งร้อยหลงไปแล้วนะใจมีโมหะมัวมอัวอูดครับพดิษผดิษจะจะไปทำงานก็นเลยขออนุญาตส่งกันท่านก่อนก็ก็ ก็ตามก็ตามรู้ทําดูก็เห็นสภาวะมันเปลี่ยนุดอุดีขึ้นแล้วนะจิตมันมีแรงแล้วช่วงก่อนนั้นมันครุกอยู่กับโลกมันหมดแรงไปคือแต่แต่เวลาทํางานนี่มันก็เต็มทํางานต้องจดจ่อทีงานมันหายไปเลยนะครับต้องหายไปช่างมันนะเป็นเวลาทํางานไม่ใช่เวลาภาวนาแต่ว่าพอทํางานแล้วกิเลสแทรกเข้ามาก็คอยรู้เอาเท่านั้นแหละบางทีก็คือเห็น ทังร่างกายจิตใจนี่มันก็มันก็ทำงานของมันไป น, าน่าเห็นอย่างนั้นนะอย่าไปประของอย่าไปบับงคับมันรตรงไปแทรกแซ ง, บ, งบังคับเป็นอัตตาเกลือมาฐานุโยคทั้งหมดเลยครับดีจิตมีแรงแล้วอา้าวกีตาจ์กตาใช้ได้นะวันนี้รู้สึกว่าจิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นนะนั่นแหละ ร, รู้ทันอย่างนั้นใช้ได้รู้สึกไม่ไม่ตั้งมัน่นแต่ไม่ดิน้นใจเป็นกลางนะั้นใช้ได้ตรงที่ใจเราเป็นกลางยอม ถ้าอะไรสภาวธรรมใดๆเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะแล้วเรายอมรับไม่หลงยินดีกับมันไม่หลงต่อต้านปฏิเสธมั น, นะก็รู้อย่างเป็นกลางสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็มีค่าเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยใช้ได้นะกีต้ารู้ไปเริ่มไม่เท่าเทียมแล้วไหม <c oughs> เริ่มดินแล้ว <c oughs> ให้รู้ทันลงไป <c oughs> ขอพบพระคุณค่ะอู้ใจออกนอกไปละอ <c oughs> ครือจะถามหลวงพ่ออย่างไงครับปกติมันทีจะเห็นเห็นเห็นมัน อาการเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยไม่รู้วไอ้จริงๆเห็นจริงๆใช่ไหมครับมันเกิดดับจะอยู่ไปเรยแต่ถ้าก่อนหน้านี้ไม่ใช่นะช่างที่ไม่มีกําลังนั้นไม่ใช่ครับต้องจิตต้องมีกําลังพออเงี้ยเห็นมันเกิดดับไปถึอจะเห็นงเกิดดับทั้งเดี๋ยวก็เกิดทวารทั้งหกเลยวิ่งไปทวารทั้งหกทางทวารทั้งหกนะแต่ว่าเราต้องดูผีตัวจิตเองเขาเกิดดับจิตไม่ได้มีดวงเดียวแล้ววิ่งไปหกทวารตัวนั้นเห็นไหม เกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจเห็นอย่างนี้ถึงใช้ได้เห็นอย่างนั้นนะครับอย่างนี้แหะชีวิตเราขาดเป็นช่วงๆแล้วสันตติขาดมันมันมันจะหายไปมันจะขาดเป็นช่วงๆเลยเออนั่นแหละนะสันตติมันขาดแล้วการภาวนาถ้าเห็นจนสันตติขาดเนี่เรียกว่าขึ้นอุทยพยยากขึ้นมิปัสนาขั้นต้นเลยนะอุทยพยยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าขั้นต้นแล้วต้องอีกนานบางคนเห็นนิดๆหน่อยๆก็ตัดไปแล้ว ข้ามไปอย่างรวดเร็วเลยเดินผ่านยานอย่างรวดเร็วเลยครับที่ที่เห็น่างนึ่คือมันมันมีมันมีความมันมีความอยากที่จะพูดจับมาอย่างนี้หลวงพ่อครับคือคือเห็นคือคือมันมีความอยากที่มันจะเกิดเผิดผมไม่เรียกว่าอยากึงเกิดเป็นภพอะใช่ไหมครับใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่มันหิวอารมณ์มันมันหิวมันก็มันก็ออกมาหิวนะแล้วกระโดดเข้าไปคว้าอารมณ์มากินนั้นเองไปเสร็จ กระโดดปั๊บไปเอาอารมณ์แม่แม่จะอยากอยากรู้อะไรมันอยากภาวนามันก็ใช่เพราะฉะนั้นแค่อยากภาวนาก็ผิดละครับอยู่ที่รู้ทันนะถ้าอยากภาวนาเรารู้ทันก็ถูกละครับดีแล้วอุตดูไปเห็นมันเห็นไหมไม่มีตัวเราหรอกมันมันไม่เห็นตัวเราครับมีตัวเรานมันขาดออกไปหมดครับนั่นดูอย่างนั้นเรื่อยๆวันหนึ่งจิตยอมรับตรงที่จิตยอมรับนั่นแหละได้พระโสดาครับ ในคนไหนมาจากหนองเลงบ้างวัดหนองเลงตามอาจารย์แสงมาอ๋อนี่มาบ่อยอยู่แล้วดีแล้วนะอยู่ใกล้ๆมาบ่อยๆนะมาได้ก็มาฟังธรรมไม่ฟังธรรมไม่ฉลาดนะคนเขาอยู่ไกลๆเขาอยางอุตสามานั่งรถมาตั้งไกลเสียน้ำมันตั้งเยอะเราอยู่ใกล้ๆฟังธรรมะเดี๋ยวเอาซีดีเอาหนังสือหลวงพ่อไปฟังด้วยนะเอาไปอ่านเอาไปฟังศึกษา ธรรมะศึกษากายศึกษาใจของเราไว้ให้ดีเราจะได้มีความสุขในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นในโลกมันมีแต่ความทุกข์นะถ้ามีธรรมะอยู่ในใจเราเราจะได้มีความสุขเดี๋ยวหลวงพ่อมีหนังสือมีซีดีแจกนะไม่ขายนะแจกแต่ถ้าได้รับแจกแล้วอย่าเอาไปบูชานะต้องไปฟังนะ <c oughs> บางคนออกหลวงพ่อให้แล้วเอาขึ้นหิ้งไว้จุดธูปไหว้ไม่ได้ประโยชน์อะไร8โมงพอดี เดินทานข้าวนิมนต์เลยครับไปโยมไปรอทานข้าวข้างนอกกัน